การทำสมถะกับวิปัสสนานะเรียนให้ดีสมถะนี่เราแต่งจิตนะเราปรุงจิตจิตไม่ดีเราปรุงให้ดีจิตไม่สุกปรุงให้สุกจิตไม่สงบปรุงให้สงบนะแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นในการเปลี่ยนแปลง เ, ลเลข้าไปหาทางจัดการส่วนวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นการพาจิตให้เรียนรู้ความจริง ของกายของใจเรามีหน้าที่ป้อนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้จิตนะโดยการพามันดูของจริงของจริงที่ต้องพามันดูก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจนี่คือความจริงของกายของใจเราต้องมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจสมัยหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งนะพระองค์นั้นตอนนั้นยังไม่บวชนะ าหัดภาวนาจิตมันรวมไปนะมันก็นชนะกิเลส mm hmm. เบื้องต้นไปท่านจำได้ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดอีกในเวลาไม่นานมันเกิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านก็เลยคิดว่าโอ้มันง่ายเลย จิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเดินจิตแบบนี้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นคราวนี้แทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแนละ้วท่านก็นั่งแต่งจิตเอเนี่ยนะ่ะต้องให้มันรวมเข้ามาก่อนพอรวมแล้วนะมันต้องมีเคลิอมเลิ้มนิดนึงดนะ้วยเคลิ้มมากก็ไม่ได้ต้องเคลิ้มพอดีพอดี <c oughs> อย่างงี้ย น, นะปล่อยให้มันทํางานนะให้ต้องเห็นมันไหวไหวนิดนึงก่อนนะจนะําไว้นะจําไว้ พอเห็นไหวๆได้สองสาทีนะทิ้งมันเลยทวนเข้าหาธาตุรู้ทวนตัวถึงธาตุรู้ต้องแหวกออกมันไม่แหวกช่วยมัน <c oughs> <c oughs> ต้องสว่างสว่างขึ้นมาไปแต่งขึ้นมานั่นล้มเหลวเลยนั้นเป็นเรื่องของการแต่งจิตถ้าแต่งจิตเมื่อไหร่เป็นสมถมะเมื่อนั้นนะไม่ใช่การเดินปัญญา งั้นถ้าเราคิดว่าวางจิตอย่างนี้เราถูกวางจิตอย่างนี้ไม่ถูก น, นั้นไม่ใช่วิปัสสนานะสิ่งที่ต้องเรียนเมียนเดียวคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าจิตตั้งมั่นแล้วจะวางจิตแบบไหนถึงจะเดินปัญญาไม่ใช่วางจิตแบบไหนจะเกิดมากเกิดผลไม่ใช่นะแค่จิตรู้สึกตัวจิตไม่หลงไปอยู่กับโลกของความคิดรู้ตัวไปสบายๆนี่แหละดูการทํางานของกายดูทําการทํางานของใจ เห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงเวลาที่จิตเขาพอเขารวมเข้ามาเขาผ่านกระบวนการตัดสินความรู้ของเขาเองไม่มีใครไปทำให้มันเกิดได้ถ้าไปแต่งขึ้นมาเป็นของปลอมทั้งสิ้นเลยมันจะไม่ล่างกิเลสมันหลอกหลอกตัวเองงั้นต่อไปนี้เราพยายามนะวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็ทาความสงบเข้ามา ก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตสงบกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันจิตสงบเนี่ยมีการฝึกอย่างนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าเองจิตตั้งมั่นก็มีเหมือนกันก่อนที่พระุทธเจ้าตรัสรู้มีไหมมนะีเพราะถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก่อนการตรัสรู้ก็จะไม่มีการตรัสรู้หรอกต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อนถึงจะเดินตัญญาได้เพนะฉะั้นเจ้าชายสิทธัตถานี่แหละมีจิตตั้งมั่นขึ้นมา ที่จริงท่านสะสมมานานนะถ้าทําฌานที่ถูกต้องนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่แค่จิตสงบพวกเราไปแปลสมาธิแบบมักง่ายแปลว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบสมาธิที่ถูกต้องนั้นแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ เด่นดวงอยู่รู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอไม่เคลิมไปไม่ขาดสติตอนชาบชาติสิทธะเด็กๆพ่อท่านไปทําพิธีแรกนาะควันเช้าสุดโททนะสุดโทนะดโทนะแปลว่าพระเจ้าข้าวขาวสุดทะ ส, สะอาดบริสุทธิ์สุดทะโททนะนี่ข้าวสารมีข้าวข้าวขาว เป็นเจ้าสักยะเนี่ยเป็นเจ้าทำนานะเจ้าสุโทโธทนะไปทำพิธีแลกนาเจ้าชายสิทธถะพี่เลี้ยงพาไปอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมมันสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าเมืองมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มโ ห, หลานอะไรเหมือนที่เราวาดภาพอเอาเจ้าชายไปไว้ใต้ต้นไม้ได้ด้วยก็ไม่ได้ปลูกพระปลาให้อยู่ด้วยอยู่ใต้ต้นไม้อกปูเสือให้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้พี่เลี้ยงก็ไปดูแลกนา เจ้าช้ยสิทธัตถะไม่มีอะไรทาอยู่คนเดียวลุกขึ้นนั่งสมาธินั่งรู้ลมหายใจด้วยความมีสติธรรมานาปนาสติจิตท่านรวมลงมาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสร็จแล้วท่านลืมตัวนี้ไปเป็นธรรมดาเลยคนที่มีบารมีนะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยของเก่ามันจะขึ้นมาเพราะไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรมั น, นก็ลืมตัวนี้ไป ตอนที่ออกไปบวชงานแรกที่ไปฝึกก็คือไปฝึกจิตให้สงบเราไปอยู่กับฤาษีไปฝึกจิตให้สงบแล้วท่านก็พบว่าไม่เห็นจะางกิเลสตรงไหนเลยออกจากสมาธิมานะจิตก็มีกิเลนเหมือนเดิมท่านก็ไปหาทางหลุดพ้นด้วยตนเองไปทรมานร่างกายคิดว่าถ้าเราไม่รักร่างกายไม่หวงแหนร่างกายเช่นนี้นะเป็นการฝึกให้ใจเข้มแข็งด้วยกายเราก็ไม่ยึดถือ กายมันจะตายก็ช่างมันรักษาจิตไว้ดวงเดียวนะทรมานกายไปตั้งนานก็ไม่เห็นจะพ้นทุกข์ตรงไหนในที่สุดทนก็นึกขึ้นได้นะถึงสภาวะตอนเด็กๆจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แหละไม่ได้เผลอไปนะไม่ได้ไปบังคับตัวเองอย่างทารุณไม่ได้เคลิบเคลิ้มลื ม, ลมเนื้อลืมตัวมีแต่ความสุขนะไม่ได้หลงไปในความสุขไม่ได้บังคับตนเอง เป็นภาวะแห่งการรู้ตื่นและก็เบิกบานเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สุดเลยท่านธรรมานาปนสตินะนี่ท่านทําเก่งนะท่านเข้าถึงฌานที่4นีะ่จิตเป็นรูเบกขาตัวรู้เนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตั้งแต่ในฌานที่สองถัดจากนั้นท่านเจริญปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยท่านเป็นระดับพระโพธิสัตว์ บารมีท่านสูงท่านเจริญปัญญาโดยใช้การเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาท น, นะอย่างที่เมื่อเช้าหลวงพ่อบอกแล้วว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้นะแง่มุมที่จะเรียนรู้รูปนามเนี่ยมีหลายแงยม่มุมง่ายที่สุดเลยเรียนเรื่องขัน5นะอายตนะ6นะี่ยากขึ้นไปหน่อยก็ท่า18 อยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอินทรีย์ิบอย่างพวกเราที่ฝึกดูจิตดูจิตเนี่ยทำอินทรีย์ิบได้เกือบครบทนะัดจากนั้นก็เป็นเรื่องปฏิจจสุบัทิอริยสัต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญปัญญานะด้วยใช้ปฏิจจสุบัทนะว่าแจ้งก็แจ้งอริยสัจขึ้นมาเวลาแจ้งของเราไม่ถึงขนาดนั้นนะนี้การเดินปัญญาไม่ใช่การคิดเอา เวลาอ่านพุทธประวัตินะก็จะนึกว่าท่านคิดเอาอย่างท่านตั้งคำถามพอจิตของท่านตั้งมั่นแนละท่านตั้งคำถามว่าอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่แล้วก็นึกว่าท่านคิดคำตอบเอาอ๋อเพราะชาติเพราะความเกิดมีอยู่ทุกยึงมีอยู่ถ้าท่านนั่งคิดเอาได้นะก็คงไม่ใช่หรอกนะท่านต้องมีสภาวะรองรับนะท่านต้องดูเลยตัวอะไรที่ว่า ทุกมันตั้งอยู่ที่ไหนทุกมันตั้งอยู่ที่รูปที่นามนี่ที่กายที่ใจนี่ทุกไม่ได้ตั้งอยู่ที่อื่นเลยไม่ได้ตั้งบนอากาศ <S 1> <S 1> ไม่ได้ตั้งอยู่ในแม่น้ำทุกตั้งอยู่ที่กายที่ใจนี่โอ้การได้มาซึ่งกายซึ่งใจได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, จยนี่เองเป็นจุดตั้งต้นให้มีความทุกข์ขึ้นมาใชม้าดูจากของจริงนะถ้าไม่ดูของจริงคิดเอาใครก็คิดได้มันก็ไม่บรรลุหรอก อะไรมีอยู่นะชาติถึงมีอยู่ชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพบมีอยู่ชาติถึงมีอยู่พบก็คือการที่จิตทำกรรมนั่นเองจิตทำกรรมคือจิตทางานนะจิตคิดนึกปรุงแต่งและจิตสร้างพบถ้าปรุงดีก็เป็นพบดีปรุงชั่วก็พบชั่วปรุงแล้วประกอบด้วยโลภะก็เป็นพบเปรตปรุงแล้วประกอบด้วยโทสะก็เป็นพบสันนิโรกปรุงแล้วประกอบด้วย ความหลงนะก็เป็นพบเดรฉานปรุงรับเซลลจัดนะก็เป็นพบของอสุรกายพวกเราใครเป็นอสุรกายบ้างพื้นเดิมของจิตใครเป็นอสุรกายยกซิเยอะนะยุคนี้เป็นยุคอสุรกายมาเกิดนะไม่ได้พูดเล่นนะคือพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงนะนี้เป็นภูมิของอสุรกายนะคนไหนขี้โลควันหนึ่งเสริมสวยทั้งวันมีไหม ใค้ทำตัวเหมือนนกหงส์หยกนี่มีเหมือนกันมีน้อยแนละ้วนกหงส์หยกใกล้ศ <c oughs> ูนพันเจอแต่พวกเซลล์จัดยกนี้นะคือใจเหล่านี้แหละสร้างกรรมเรียกว่าสร้างพบนะคำว่าพนะมีสองชนิดพบชนิดที่หนึ่งชื่ออุปฏติภพบพบโดยการเกิดอย่างเราเกิดเป็นคนเนี่ยมีอุปาติภพเป็นมนุษย์ แต่กรรมมาพนั้นเป็นการทํางานของจิตเป็นคลาวลไปเมื่อไร่จิตเราโลภขึ้นมานะร่างกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่โดยอุปปติภพแต่จิตเราเป็นเปลดิดนะโดยกรรมมพบได้มีพบน้อยๆซ่อนอยู่ในพบใหญ่ๆของเรานี่แหละหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนท่านพิจาาเรื่อยไปนะดูทําไมมันถึงดิ้นรนทํางานขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีตัณหามีอุปาทานมันมีความอยากเกิดขึ้น ความอยากที่รุนแรงนะั่นเรียกว่าอุปาทานความอยากทองงามเรียกว่าตันหาความอยากนิดหน่อยๆเป็นราคาอะไรงั้นธรรมดานะมันมีการผลักดันนะมีความทยานอยากแล้วเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆจิตถึงทํากรรมขึ้นมานี่ดูจากของจริงนะท่านดูลงไปจนถึงอวิชานะท่านก็แจ้งแนละ้วว่าทุกอย่างมาจากความไม่รู้นี่เองคือไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอะไรเรียกว่าทุกก็ขันห้านี่แหละคือตัวทุกข์ เราไปคิดว่าขันห้าเป็นตัวเรานะไม่รู้อะไรอีกไม่รู้สมุทยัยไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาศัยความอยากนี่นะจิตที่อยากลงสู่ภพภูมิใหมนะ่ได้ขันห้าใหม่ขึ้นมานะอาศัยความอยากก็จิตเกิดกรรมมาพบการทำกรรมเป็นขณะขณะแล้วก็ทุกข์ในขณะนั้นด้วยนะงั้นตัวการเกิดเลยมี2แบบอย่างเกิดมาในความเป็นมนุษย์นี่ก็อย่างหนึ่งนะ เกิดทางใจเป็นขณะขณะนี่ก็เป็นอีกอย่างเป็นความปรุงเหมือนกันนะความความอยากผลักดันนะให้เกิดความดิ้นรนปรุงแตง่งให้เกิดการสร้างพบสร้างชาสร้างทุกข์ขึ้นนะความอยากนี้ถ้าตรับใดยังไม่รู้ทุกข์นะสมุทัยนี่จะไม่ดับฝ่าวนดับเป็นคราวๆ ค, ความอยากจะดับได้เป็นคราวๆ อย่างเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างนะพอเราไปซื้อมาสนองความอยากลนะ้ความอยากอันนั้นก็หายไปนี่ดับเป็นคราวๆนะจิตอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งดูลงไปตรงๆกิเลส ด, ดับตัณหาก็ดับนะความอยากก็หายไปนี่ก็ดับเป็นคราวๆทุกวันนี้เราก็ดับกิเลสเป็นคราวๆเหมือนคนดับไฟดับยังไม่เป็นเห็นเปลวไฟหายไปแล้วนะนนก็หยุดฉีดน้ำไปเดียวมันก็ไหม้อีกเพราะเชื้อมันยังอยู่ ต้องดับให้ถึงรากถึงเงาทํานะทลายาวิชาได้รู้ทุกแจมแจ้งถึงจะล้าสมุทัยได้เด็ดขาดรู้ทุกแจมแจ้งคือรู้เลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้นะความอยากที่จะให้ธาตุให้ขันนี้เป็นสุขจะไม่เกิดขึ้น ความอยากให้ธาตุให้ขันพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นทำไมไม่อยากให้มันสุกเพราะรู้ว่ามันสุกไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์ทำไมไม่อยากให้มันพ้นทุกข์เพราะรู้ว่าพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์แม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากจะถูกทำลายอัตโนมัติเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้เลย ร, นะรูปนามทั้งหลายนะขันห้าทั้งหลายของเราอายตนาทั้งหลายนี่มีแต่ตัวทุกข์จิตเห็นความจริงนะว่าขันห้าเป็นทุกข์ ท่านถึงบอกว่าทุกให้รู้ทุกให้รู้เพราะงั้นเรารู้ทุกตามความเป็นจริงเห็นขันห้าตามความเป็นจริงมันตัวทุกนี่ว่ามันไม่ใช่ตัวดีรูปก็เป็นทุก์เวทนาก็เป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกตาฟูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยนะนี่เรียกว่ารู้ทุกถ้ารู้ทุกแล้วมันจะละสมูทัยอัตโนมัติ นะความอยากจะไม่มีก็มันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้พ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้เหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนไฟมันต้องร้อนเพราะคุณสมบัติของมันร้อนนะจะไปอยากให้ไฟไม่ร้อนไม่ได้หนะรือไปอยากให้ไฟเย็นนะไม่ได้กั้นถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติความอยากให้ขันเป็นสุขจะไม่มีความอยากให้ขันพ้นจากทุกข์ไม่มี มันพ้นไม่ได้มันสุขไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยมันพ้นจากทุกข์ไม่ได้มันสุขไม่ได้เพรเนะเาะ ม, ม, ม, ม, มันเป็นทุกขนะ์งั้นเห็นทุกขแ์แฉมแจ้งนะความอยากจะสูญไปเลยไม่ต้องมีอีกไม่ต้องลาอีกลาแล้วลาเลยลาครั้งเดียวลาทีเดียวจบเลยเนะงั้นถ้ารู้ทุกขแ์แฉมแจ้งเมื่อไหร่ก็ลาสมูทายเด็ดขาดเมื่อนั้นลาสมูทายเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นเองนิพพานมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาเ่านี้แหละ แต่จิต ท, ที่มีตัณหามีความดิ้นรนมีความปลูแต่งนะั้นะไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานนะเพราะจิตหมดตัณหาจิตจะเห็นนิพพานเลยพรานิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหานะสิ้นจากตัณหาในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทยัยแล้วก็แจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธนะันนะ่ะขณะนั้นน่ะคือขณะแห่งอริยมรรคมรรคนั้นมีหน้าที่จเจริญ จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาสกตาคานาคาอรหัตมักมีหน้าที่จเจริญให้มันพัฒนาไปพัฒนาไปก็ด้วยการรู้ทุกข์ให้มากนั่นแหละงั้นงานของเราเมียนเดียวแหละงานรู้ทุกข์ดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยเลยเห็นกายเห็นใจนี้เป็นของไม่มีประโยชน์อะไรนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะปัญญาแก่รอบขึ้นมามาเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่ได้ มีสาระแก่นสารอะไรเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่ใช่เราเบืบ้องปลายจะเห็นว่ามีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงขั้นว่าไม่มีเราก็เป็น โ, โดสดาบันเห็นถึงขั้นว่าเป็นตัวทุกข์ก็เป็นพระอรหันต์ก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโสดาหรือเป็นพระอรหันต์มีแต่เรื่องรูปกายรู้ใจเท่านั้นเลยรู้รูปรู้นามทั้งนั้นเลยเห็นความจริงของรูปของนามทั้งนั้นเลยไม่มีหรอกนะพระอรหันต์อะไรที่ไม่เห็นความจริงเหล่านี้นะยังเห็นว่าตัวเรามีอยู่กระทั่งโสดาก็ไม่เป็น งั้นมีหน้าที่เรานะรู้กายรู้ใจให้มากดูไปว่าจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่ไปบังคับกายบังคับใจไม่ใช่บังคับให้ใจนิ่งๆไม่ใช่บังคับให้ใจมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไม่ใช่ดูไปสี่จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงนะดูเข้าไปมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายก็เหมือนกันถูกทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกใครว่าหายใจเข้าไม่ทุกหรอกหายใจเข้าไปนานๆสิแล้วจะทุกทนไม่ได้นะถึงตายเลยนะมันทุกมันมากนะเนี่ยเฝ้ารู้ความจริงคือรู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจตามควาเป็นจริงนะจะเห็นทุกถ้าเห็นทุกก็เห็นทำนั่นแหละนะในที่สุดก็จะพ้นทุกพ้นทุกก็คือจิตมันไม่ยึดขันก็พ้นจากทุกแล้ววันหนึ่งวันที่ขันแตกขันดับ อันนั้นแหะเข้าถึงภาวะแห่งความดับทุกข์งั้นพระนิพพานนั้นมีสองแบบพระนิพพานที่ยังมีขันอยู่เนี่ยอย่างพระอราหันต์ที่ยังดํารงชีวิตอยู่เนี่ยท่านพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตท่านพราดออกจากขันจิตท่านไม่ยึดถือขันอีกแล้วขันก็ทุกส่วนของขันไปแต่ว่าท่านไม่ไม่ทุกข์กับมันแล้วนี่เรียกว่าพ้นทุกข์พ้นความเสียดแทงในวันที่ธาตุขันแตกดับ เป็นพระอรหันต์นิพพานเจ้าปรินิพพานอย่างพระเจ้าขันดับไปแล้วนี่ก็คืออะไรนั่นแหละดับทุกข์ละขันดับก็คือทุกข์มันดับนั่นแหละก็ขันนั่นแหละตัวทุกข์นี่ต้องเห็นอย่างนี้นะไม่ทําจิตว่างๆอะไรไม่ได้เรื่องหรอกพอไหวไหมพอเข้าใจไหมต้องเรียนนะถ้าฟัง ฟังหลักพื้นฐานอย่างนี้ได้แล้วรู้ว่าเราต้องรู้ทุกนะถัดจากนั้นก็รู้วิธีรู้ทุกนั่นก็คือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะวันนี้เรียนปริยัตเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเรียนต่อวิธีเจริญสมถะทำยังไงวิธีเจริญวิปัสสนาทํำยังไงย็นะค่อยเรียนเอาอะต่อไปตรวจกันบ้าน อ้าพวกอยู่วัดที่อยู่วัดนะคะหลวงพ่อตอนแรกที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งความหวังกับอะไรไว้อะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอมาถึงวันวันที่สองค่ะก็ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ดูความเป็นอนิจจังค่ะแล้วก็ก็ก็ปฏิบัติก็เดินไปเดินมาส่วนมากจะเป็นเดินจงกรมเยอะค่ะหลวงพ่อแต่พอรู้สึกว่าพอเราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับเนี่ยมันก็จะมีจิตตัวหนึ่งมาบอกเราว่าให้ดูอนิจจังให้ดูอนิจจังค่ะหลวงพ่ออืมก็ดูไปสิ ดูไปทั้งวันเลยหลวงพ่อเขาอย่างนี้ถ้ากลับไปบ้านก็ต้องดูอย่างนี้ก็ดูอ ย, <ไป S 2> อย่างนี้แหละนะอยู่ที่ไหนไม่สําคัญนะอยู่ที่ไหนก็มีกายอยู่ที่ไหนก็มีใจดูความจริงของกายของใจเรือ่อยไปงนะแต่อยู่บ้านมันมีของต้องดูเยอะอยู่วัดไม่มีอะไรให้ดูก็ดูกายดูใจได้ยเยอะหน่อยก็เท่านั้นแหละนะบางคนอยู่วัดก็วุ่นวายนะวัดบางแห่ง ยิ่งกว่าสามโ๊กอีกตีกันแหลกเลยไม่มีเวลาดูกายดูใจอะ่ะคอยชิงไหวชิงพลิปนะใครจะทำอะไร <c oughs> บางวัดเราเข้าไปลรวร้อนตับแลบเลยเข้าไม่ไหวหนีนี่อ่ะคือตัวโยมเองได้ภาวนาแล้วเห็นว่าความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันดับโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะปัญญายังล้ำอยู่นะแต่ดูไปสบายๆความคิดมัน ย, ย, ยังล้าอยู่ ดูไปอย่างสบายๆนะดูไปนานๆแล้วจิตมันสรุปเองแล้วที่จิตมันสรุปเองมันล้างกิเลสตรงที่เราช่วยจิตสรุปเนี่ยเพิ่มกิเลสเราจะรู้สึกอู้เข้าใจแล้วเว้ยกูเก่งๆนะจะรู้สึกอย่างนี้ดูของจริงเรื่อยดูกายทํางานดูใจทํางานนะดูไปเดี๋ยวดีกว่านี้อีกนี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว ก่อนอื่นขอขมาหลวงพ่อครูบาอาแล้วก็แม่ชีด้วยนะจิตล่วงเกินอะไรนะรู้สึกมาอยู่วัดแล้วจิตมันไปล่วงเกินหลวงพ่อช่างมันไปเลยเรื่องของจิตมันยังละอย่างนั้นไม่ได้มันยังรู้สึกกังวลละไม่ได้ช่างมันเรื่องของมันแล้วก็ยังไงขอขมาอีกขอไปก็ได้แล้วก็จะเห็นว่ามันมันเข้ามาเองฮะอืะแล้วก็พอพยายามจะไปไปฝืนมันเนี่ยอย่าไปฝืนนะดูไปเรื่อยเรดูมันเหมือนดูคนอื่นครับ จิตที่อยู่ๆมันว่าหลวงพ่อขึ้นมาเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้านะเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะแต่ที่ที่ดูอยู่นี่เป็นเป็นอย่างนั้นดูถูกแล้วอย่าไปกลัวมันไปกลัวมันมากไปกลัวไม่ดีกลัวบาป เ, เราไม่ทํำบาปทางกายทางวาจาเรียกว่ามีศีล น, นะแต่ทางใจเนี่ยกิเลสเกิดไม่เป็นไรกิเลสเกิดแล้วรู้อย่างเป็นกลางนะแล้วไม่ใช่ห้ามเกิดนะเพราะห้ามไม่ได้ ผมยังไม่เป็นกลางยังยังกลัวมันยังกลัวบาปกลัวกิเลสไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าลึกเหมันเหมือนกับมีตัวอะไรอยู่มันก็ตัวเราอยู่ข้างในเป็นมานะหรือเปล่าครับมีเออเป็นมานะใช่ถูกล้เป็นตัวมานะหัดดูไปนะเห็นไหมมันทํางานได้เองนั่นแหละตัวสําคัญอยู่ตรงเนี้ยเวลากิเลสเกิดมานะเราไปกลัวมันสะก่อน ความจริงกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นอยู่แล้วคือมันเกิดได้เองเราโมจะตกใจว่ากิเลสมาเราลืมดูไปว่าเฮ้ยเองเป็นไตรลักนี่วะอ๋อจริงๆนะกิเลสแสดงตัวโครมครามออกมามันกําลังแสดงใจลักอยู่นะถ้าเรามองมุมนี้นะกิเลสก็เด็นเลยกิเลสกลัวที่สุดเลยเรื่องไตรลักษณเนี่ยกิเลสกลัวอันนี้จังทุกขังอนาตานะเราอย่าไปกลัวมันซะก่อน เอาอันนี้จางทุกขงาาังอนะตาเนี่ยฟาดหัวมันเข้าไปเลยเอ้เอ็งไปด่าหลวงพ่อประโมดนะเอ็งด่าได้เองเลือกหัวเอ็งนีแ่แค่นี้แหละมันกระเจิงเลยสู้นะอย่าถูกกิเลสหรอกที่ให้ไปดูกิเลสนะคะหลวงพ่อคือถ้ารู้สึกว่ามันสงสัยหรือห ง, งุดหงิดมีความสุขมีความทุกข์อย่างนี้คือมันใช่หมคะทุคนทุกข์ไม่ใช่กิเลสนะแต่งุดหงิดเนี่ยเป็นกิเลสพอใจในความสุขเนี่ยกิเลส ความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ความพอใจในความสุขถึงชี้กิเลสความทุกข์ยังไม่ใช่กิเลสนะความไม่พอใจในความทุกข์ถึงนี้เป็นกิเลสใจเป็นกลางกับสุขกับทุกข์ไหมไม่ค่ะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางดีขึ้นเยอะแล้วละดูไปใจไม่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยนะภาวนานได้ดีขึ้นอะไม่อยู่วัดแล้วเอ รู้สึกตัวได้มากกว่าอยู่ที่บ้านอ่ะครับเข้าใจว่าอาจจะช่วงที่ผ่านมาขาดการปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะครับสิ่งที่ขาดนั่นก็คือเวลาเราอยู่กับโลกนะมันตลุมบอลมันอดตลุมบอลไม่ได้หรอกนั้นเรามีโอกาสหรีกเล่นภาวนาได้เพื่อได้กําลังค่ะคือคือจําเป็นไหมคะที่ว่ากําลังกําลังกับสติจะต้องเสมอกันนะคะ จำเป็นไหมคะคุณธรรมทั้งหลายนั้นต้องเสมอกันนะเสมอกันไปคือมันเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติถ้าอันใดหนึ่งล้ำหน้าไม่ดีย่ะงั้นหนูจำอย่างนี้เป็น r e ference แต่ว่าไม่บังคับมันเอออย่าไปทำมันนะมันเป็นเองถ้าอย่างนั้นถือจะได้จำเชิงเปรียบเทียบถ้าครั้งไหนที่ดูวูบกว่านี้ก็คือเราก็ต้องไปเน้นเรื่องกําลังให้เยอะขึ้นใช่ใช่ รู้จักสภาวะอย่างนั้นแหละถูกแล้วต้องรู้เลยสภาวะอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่สภาวะอย่างนี้สมถะสภาวะอย่างนี้มิปัสนานะดีอ้าวต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจําเป็นตามจําเป็นนะไม่ใช่ตามโลภเอาย่อๆนะจริงๆถามหลวงพ่อนะสั้นที่สุดเลยดีที่สุดไม่ต้องถามยาวหรอก คนต้องเล่าพวงสวัสดานตั้งแต่เด็กๆไม่จําเป็นหรอกกลับนมัสการเจ้าค่ะเอะหนูกลัวค่ะกลัวรู้ว่ากลัวถูกต้องแล้วกลัวหลวงพ่อครับพอดีหนูไม่ไม่ผ่านตรงนี้สักทีเนอ่ยค่ะผ่านอะไรตกปกติหลวงพ่อหนูเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูจิตอนะคะแต่หนูเห็นร่างกายหนูอะคะ่ะหนูเห็นเลือด ไม่เห็นค่ะมีความรู้สึกว่าเลือดมันไหลเวียนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เหมือนมันมีน้ำอะค่ะหนเอามือเช็ดแล้วมันก็ไม่ใช่มีน้ําจริงๆแต่มันอยู่ข้างในอะค่ะมันอยู่ข้างในสิแต่หนูเลยไม่รู้ว่าหนูเล้าสติแรงเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วพอดีละหนูดูไปเรื่อยเยร่างกายนี้นะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะยังมีธาตุน้ําวิ่งไปวิ่งมาะดูไปเรื่อยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนดูอย่างนี้ไปเรื่อยก็ได้ แต่ถ้าใจเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาขอบพระคุณเจ้าค่ะน้มัศกาลหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนเจ้าค่ะที่ผ่านมาคือเห็นกิเลสตัวที่เป็นมรณะตายที่กูเก่งอะเจ้าค่ะเยอะค่ะแล้วเห็นการเกิดดับเห็นมราทาัดขันมันกระจายแล้วเห็นว่างๆในตัวค่ะที่เห็นชัดเจนตอนนี้คือแบบ ใจที่เกาะอารมณ์ที่มันไปเกาะอารมณ์มันมันมันมันล่าออกมาได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะคะเราไม่ได้ลานะมันล่าเองเจ้าค่ะอมันเข้าไปเกาะก็รู้มันหลุดออกมาก็รู้ดีแล้วล่ะเจ้าค่ะการทําสมาธิของหนูอาจารย์หลวงพ่อตั้มันหลับบ่อยมากเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเราเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเวลาไปทําสมาธิมันจะหลับลูกเดียวเลยหลับก็ทําไปเป็นธรรมดาเจ้าค่ะคือจิตที่มันเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษนะของโลกนะมันเอื่อมลานะ มันนั้นหนีเขาไปหลบนิ่งๆอยู่อย่งนั้นแหละเจ้าค่ะหนีเขาไปหลับหลับขอทาชีแนะหลวงพ่อเพิ่มเติมเจ้าค่ะใจกล้าๆไว้เองหลับก็หลับไปข้าจะนั่งเจ้าค่ะกบขอบคุณเจ้าค่ะพอนานได้ดีนะหนูเพีงได้จิตไม่เข้าฐานเจ้าตอนนี้ตอนนี้มีเข้าฐานเจ้าค่ะเมื่อเช้าเดินจงก่มค่ะหลวงพ่อแล้วมันหลวงคิดแล้วมันมีความสุขผุดข mi ึ้นมา แต่กลายเป็นว่าไปเห็นว่าสภาวะความสุขนั้นมันเป็นสภาวะความทุกข์อะค่ะเออไม่เป็นไรอย่าไปคิดต่อนะก็แค่เห็นสภาวะมันมาแล้วไปเท่านั้นแหละคู่วิปลาสไม่ว่าวิปลาสหรอกจริงๆเป็นตัวทุกข์แต่เราอย่าไปคิดนําต่อนะะแค่แค่รู้แล้วก็จบลงที่รู้เท่านั้นแหละแล้วเนี่ยพอเราไปเห็นอย่างนี้ใช่ไหมใจเราก็ไปจับออกมาทบทวนคล้ครวนดูแล้วมันไม่เห็นมีเหตุผลเลย มันเป็นตัวสุขแท้ๆไม่ทำไมเป็นตัวทุกข์อะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกก็แค่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูแค่นั้นแหละถ้าเขาแจ้งเขาเองอ่ะเขาก็ถึงจะล้างกิเลสนะถ้าเราไปคิดช่วยมันคิดนํามันไม่ไปหรอกค่ะแล้วตัวหนึ่งก็คือคือปัจจุบันนี้มันสิ่งรอบข้างเนี่ยมันดูเหมือนกับดูออกไปมันเฉยเฉยมันก็ห่างๆออกไปนะโลกมันแบนๆรู้สึกไหมค่ะ มันเฉยๆแ ล, แล้วมันมันเหมือนมีความทุกข์อยู่ข้างในอะค่ะหลวงพอ่อนั่นแหละดูเข้าไปที่ใจเราเลยอะก <c oughs> ิเลสยังแฝงอยู่ในใจเราอยู่แต่เราไม่เป็นกลางค่ะมันเหมือนกับว่าทําไมมันหาความสุขไม่เจอไม่มีหรอก <c oughs> ให้ไปดูว่าใจมันยังหาความสุขอยู่ค่ะมันยังอยากได้ความสุขอยู่ <c oughs> ไปดูตัวนี้นะให้รู้ทันว่าใจยังอยากได้ความสุขอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อ ตอนเย็นกลับจากทํางานเนี่ยมาเดินจงกรมเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านเยอะมากค่ะธรรมดาต้องเดินตั้งแต่กลางวันคือตอนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยฟุงฟ้งฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยมันจะเห็นความเหนื่อยหน่ายผุดขึ้นมาแล้วก็<อ>มีความเบื่อหน่ายตามมาค่ะไอ้นั่นเบื่อเพราะโทสะนะโทสะใช่ไหมคะ่ะไม่ใช่นิพพานแล้วใช่เป็นนิพพาจิตมจะนุ่มนียนกว่า น, นี้หน่อยขอบคุณค่ะหลวงพ่ อ, อกลับนวัสการหลวงพ่อคะ่ะ หลงพ่อยมยังเห็นเห็นว่ามันยังยึดแนวลมเกาะนาอยู่เจ้าคะรู้ว่ายึดนะไม่ห้ามแล้วมันสลัดไม่ออกเห็นว่ามันเกาะนาะนอยากสลัดรู้ว่าอยากเนี่ยคือการรู้ทันจิตการดูจิตนี่คือการรู้เท่าทันจิตของตนเองไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าให้มันนิ่งๆเพราะนั้นจิตมีความอยากรู้ว่ามีความอยากจิตอยากสลัดรู้ว่าอยากสลัดนี่เรียกว่าการดูจิตล่ะเห็นไหมจิตมันอยากได้เองจิตมันจะสลัด มันอยากโน้นอยากนี้ตลอดเห็นว่ามันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ใจยังอยากทำอยู่ใจยังอยากบังคับให้ได้อยู่นะต้องเห็นอีกจนกระทั่งมันยอมรับความจริงว่าทำอะไรไม่ได้มันถึงจะวางกลับเรียนหลวงพ่อช่วยแนะนำเอากับทำถูกแล้วทำดีแล้วเมืช้าหลวงพ่อเทศรู้สึกฟังแล้วเข้าใจเจ้าค่ะนั่นแหละภาวนาดีขึ้นแล้วฟังรู้เรื่องนะไปทาอีกไปทาถูกต้องแล้วเจ้าค่ะ นะแต่ใจมันยังไม่หมดอยากกราบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาจากขาดใหญ่มเมื่อน้าท<ป>่วมยังปีนี้อ๋อท่วมขาดแต่ว่าที่บ้านไม่ท่วมเอ่อท่วมตรงใกล้ๆคลองระวายน้ำหลักก็เมื่อปีที่แล้วปลายเดือนมีนามากราบนมัสการหลวงพ่อไปแล้วรอบนึงปีนี้ก็เลย จะมาขอคําแนะนําหลวงพ่อค่ะสําหรับการปฏิบัติสําหรับตัวโยมเองค่ะเพื่อจะได้เจริญขึ้นก็เจริญอยู่นะคอยดูลงไปเรื่อยๆรเห็นร่างกายกระจแยกกันบ้างไหมเห็นค่ะนั่นแหละเจริญแหะเจริญอย่างยิ่งเลยอ้โแปลว่าแสดงว่าจิตหนูเนี่ยมันอยากได้เจริญมากกว่านี้ใช่ใชหนูทําถูกแล้วนะค่ะขันมันค่อแยกแล้วล่ะหนูเห็นไหมว่ากิเลส กับจิตก็คนละอันกันเห็นคะ่ะนั่นแหละดีความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันคะ่ะหนูเห็นได้ไหมว่าทุกอย่างนี้เราบังคับไม่ได้ถูกค่ะมันคือเขาจะไปของเขาเองอเขาจิตหนูจะไวมากใช่ไวมากแล้วแลพูดเหมือนพระพุทธเจ้าเลยจิตเนี้ยเที่ยวไปรวดเร็วมาก <c oughs> มันมันไวจนแบบหนูโมโหมันนะคะเออทําไมอยากให้มันช้าเหรอ คือหนูดูไม่ค่อยทันมันไวจนเอ๊ะทำไม ด, ดูเท่าที่ดูได้ค่ะนะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบฟุ้งซ่านมากอะค่ะ อ, อ, อย่างอย่างหลวงพ่อสอนว่าทําสมาถะใช่ไหมคะให้หาอารมณ์ดู ส, สังเกตไหมว่าปีนี้กับปีกลายเนี่ยฟุ้งซ่านไม่เท่ากันค่ะใช่ปีปีที่แล้วอะฟุ้งแต่คือมันฟุ้งด้วยกันทั้ ง, ท, งทั้งความฟุ้งแล้วก็จิตแต่ว่าปีเนี้ค่ะเหมือนฟุ้งเขาก็ฟุ้งของเขาจิ ต, ตอยู่ส่วนจิตใช่ใช่ค่ะนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งเป็น ค่ะแล้วอย่างหนูว่าอยากทําแบบสมถะเป็นกับเขาบ้างแต่ว่ามันมันไม่ยอมทําไม่จําเป็นนะเพราะว่าจิตเราพอมันแยกขันอย่างนี้มันมีความสุขได้ด้วยตัวของมันเองแล้วรู้สึกไหมมันมีความสุขขึ้นมาเป็นระยะระยะได้มันเหมือนอะไรไม่รู้ขึ้นขึ้นมานั่นแหละมันมีความสุขผุดขึ้นมานะแต่ถ้าหนูฝึกต่อไปมันจะเป็นอุเบกขาตัวสุกนี้จะค่อยค่หายไปแล้วสุดท้ายเป สติปัญญาแก่รอบจริงๆนะโดยจะเห็นว่าโลกนี้เหมือนภาพหลวงตาเลยไม่มีอะไรหรอกหลอกๆนะนั้นมีแต่ทุกข์เรียงเดียวเลยถ้าเห็นอย่างนั้นจิตจะหลุดออกจากโลกนะสลัดออกจากโลกจิตจะมีความสุขอีกแบบหนึง่งในสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยนี่ยิ่งฝึกจะยิ่งมีความสุขมหาศาลนะรออยู่ข้างหน้าตอนนี้ดูทุกข์ไปก่อนค่ะใช่แต่ว่าหนูก็เป็นคนแบบเซลล์จัดแล้วก็แบบไม่ชอบนิสัยตัวเองมากๆทำไมให้รู้ <แบ S 1> ทไปแย่อย่างนี้อืมดีที่รู้นะ อีกหน่อยก็เป็นคนดีเพราะเรารู้ทันกิเลสแล้วดีแล้วโมทนาก็คือตะก่อนนั่งสมาธิแบบว่าเพ่งเพ่งอยู่ที่จุดเดียวครับแล้วจิตมันก็แยกจากเวทนาใช่เวทนาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นนั่งแบบว่าดูร่างกายดูลมหายใจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปนั่งที่ท่าอินแขวนครับแล้ว เหมือนกัรนั่งๆแล้วแบบใจมันวางลงได้อืแล้วคือแต่ก่อนที่นั่งแบบเพ่งจุดเดียวใจมันจะแข็งๆอย่างนั้นผิดนะะแต่ว่ามันก็อย่างนี้ถูกแล้วพอนั่งที่พัทธินแขวนแล้วเหมือนใจมันจะวางนั่งที่ไหนนะพัทธินแขวนพม่าหลวงพ่อก็เคยไปนะขึ้นยากยากแล้วก็คือตังปณิธานว่าไม่ไปอีกแล้วก็กลางคืนมันจะหนาวใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ เหมือนใจมันวางแล้วอากาศมันก็เหมือนสัมผัสกายแบบเหมือนมันแยกอืแยกกายแยกอะไรเงี้ยแล้วหลังๆเวลาพอนั่งสมาธิใช่ไหมฮะมันก็ใช้เวลาสั้นลงแล้วมันจะวูบวูบแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับมันมีปัญญามองมองกายออกมาได้อืเหมือนกับว่าพอไม่นั่งเดินปกติเง <MO ี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่ามีมีใจอยู่ดวงหนึ่งแล้วก็มีกายมีใจอยู่ในกายนั่นแหละนั่นแหละเดินมา ทำเป็นแล้วแล้วก็แต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่แปลกที่เจอมาคือทุกทีมันจะแยกเป็นสองใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับมันรับรู้ข้างนอกข้างในพร้อมกันจังหวะเป็นเป็นอันเดียวกันเลยอะไรเงี้ยรู้แปลเรื่อยๆนะที่ทำถูกแล้วล่ะครับแล้วก็เวลาอยู่เฉยๆเนี่ยเวลาอารมณ์เนี่ยก็จะเห็นว่าอารมณ์มันไหลไป พอไหลไปแล้วมันก็จะจับมันก็จะยึดเอาไว้มันจะมีแรงยึดเวลาจะดึงมันกลับมามันก็จะแบบมันก็จะไม่ยอมกลับแล้วอย่าไปดึงสิไปดึงแล้วเหนื่อยเปล่าเแค่รู้นะว่าเข้าไปครับมันก็คือมันเป็นอุปทานใช่ไหมถ้าดึงนะเป็นเป็นสมถะอเป็นการทําสมถะไปควบคุมจิตเอาไว้แค่จิตไหลเวเรารู้ทันนะจิตเป็นไงรู้ทันที่ฝึกอยู่อย่างเนี้ยถูกแล้วขันมันแตกออกไปหมดล้ว พขันมันแยกออกไปแล้วดูออกไหมขันแต่ละขันไม่มีเราตรงไหนเลยก็ไม่มีครตอนนี้ตัวของตัวเองก็ยังเหมือนไม่ค่อยมีฮอืมแบบว่าอารมณ์มันก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกต่อนะไปทําอีกครับแต่ก็ถูกใช่ไหมดูถูกละเก่งขึ้นเยอะเลยในเวลาอันไม่นานนี่เองติดเพ่งมาตั้งหลายปีนั่นแหละที่หลวงพ่อพยายามแก้ให้นะเพ่งกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรดีขึ้นมาอย่างนี้ยพอไม่เพ่งนะขันมันแตกออกเลยคือผมเปลี่ยนจากคําว่าเพ่งเป็นคําว่าวางพอพอมันจะยึดก็ปล่อยวางเพยายามวางวางวางอะไรวางเป็นอุบายเท่านั้นนะครับอแต่ว่าต่อไปต้องให้จิตมันวางของมันเองครับเราดูขันไปมากๆแล้วจิตมันค่อยวางขันเองมันเห็นขันได้สาระมัวางเองครับแต่อย่าไปจงใจวางนะ ถ้าจงใจวางไม่ใช่ของจริงแต่แต่เวลามันแยกนี่มันเป็นชานไหมครับอะไรนะเวลามันวูบหลงแล้วมันแยกออกมาแบบที่เห็นว่ามันเห็นว่ามันแยกกันนี่คือเป็นชานไหฮะเป็นชานเหมือนกันนะแต่เป็นลักขนุปณิชชันเห็นไตรลักษณ์มันไม่เห็นสุขเนี่ยมันแบบตัวเบาๆใจเบาๆผ่องๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ก็แค่รู้นะเป็นอย่างนั้นก็รู้ไม่เป็นก็รู้นะรู้อย่างที่มันเป็น อย่าไปจงใจทาขึ้นมานะถ้าทำขึ้นมาติดสมถะเลยคือตำรามันต้องแบบสุกแบบสุกมากๆอะไรยาเงี้ยในตำรามันต้องแบบสุกสุกมากๆอะไราี้ของผมแค่แบบเบาๆไม่สุกอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ <laughs> อย่าไปจงใจทานะถ้าจงใจทาแล้วผิดเลยให้มันเป็นเองแยกขันไปเรื่อยอ้าวว่าไปกล่าวหลวงพ่อครับเ อ, อ่อ ช่วงนี้ก็ลดการประคองไปนะครับะอะไรนะ<อ>ไม่ได้ลดลดการประคองครับเออ<ล>นั่นแหละพอนาพยายามแยกกายแยกจิตนะขันแยกแล้วใช้ได้ไปทํำอีกนะครแล้วใจหนีไปต้องรู้ทันนะครู้เรื่อยๆให้ใจอยู่กับเนื้อก็ตัวแต่ไม่ได้ประคองไว้ถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวแบบประคองไว้ก็ไม่ถูกะเห็นเขาทํางานก็แค่รู้แค่เห็นไป เป็นการประคองก็ได้ใช่ไหมรู้ท<ร>ันประคองน ะ, นะดีขอบพระคุณครั บ, บาการบ้านศึกษาหลวงพ่อคะ่ะปิธี่แล้วเคยส่งการบ้านหลวงพ่อแล้วคะ่ะแต่ก็ปีนี้ก็ฝึกที่บ้านคะ่ะอยู่เบตงนะคะก็ดูแลแม่ไปแล้วก็ฝึกที่บ้านบางครั้งก็ฝึกไม่ได้ลคะค่ะมีแต่ความโมโหอ่ะค่ะขอความแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยด้กเจ้าคะ่ะจะให้เมตตาอะไร จะขออะไรนะขอคำแนะนําจากหลวงพ่อหน่อยค่ะเวลาปฏิบัติที่บ้านนะคะเออปฏิบัติที่ไหนก็เหมือนกันเลยนะอย่างเราทํางานไปก็เห็นร่างกายมันทำใจเป็นคนดูไปนะค่ะนั่นแหละทถูกแล้วละ่ะขันก็ค่อยแยกแล้วละ่ะค่ะนะไปทําอีกนะทําถูกแล้วหลวงพ่อคะ่ะคือบางครั้งเราทาในรูปแบบที่บ้านคะ่ะแล้วก็อยากจะให้ดับความเวทนาทํำยังไงคะอยากให้อะไรเวทนานะ ความดับของเวทม่อย่าไปดับมันขันนะขันเวทนาเป็นขันห้านะเวทนาอยู่ในกองทุกทุกให้รู้ไม่ใช่ให้ละแล้วไม่ต้องไปดับมันหรอกเจ้าค่ะดูไปเรื่อยกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันหรอกเจ้าค่ะเป็นกลางกับเขาอย่าไปอยากดับเขานะเจ้าค่ะโยมห้ามความกลัวไม่ได้เจ้าค่ะไม่มีใครห้ามได้หรอกมองอยู่อย่างเงี้เหรอเจ้าค่ะ เห็นไหมว่าเราบังคับมันไม่ได้คนั่นแหละธรรมะล่ะวันนี้โยมพาลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามาอืมนั่งอยู่ด้านเนี้ยค่ะ<ก>เด็กเข้าเต็มใจมาเองหรือเปล่าะก็เลยครูบังคับมาอาจารย์บังคับมาหรือเปล่าช่วยยกมือหน่อยจำภายในเดือนเนี้ยเจ้าค่ะเราดูเรื่องบางอย่างพวกนักศึกษา ได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ้างไหมในนักศึกษายกมือซีมอบูมอบูก <c oughs> ็ดีบ้างนะ <c oughs> ไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะ <c oughs> แรกๆมันฟังยากนิดนึงฟังหลายๆทีแล้วจะเข้าใจถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติในชีวิตเราจะเปลี่ยนคนทุกวันนี้ตกเป็นทาตตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเลย ที่จริงเราเป็นเยอะความอยากในใจของเราเองถ้าเรารู้ทันใจที่มีความอยากเวลาใจเราอยากอะไรขึ้นมารู้ทันใจเราอยากอะไรขึ้นมารู้ทันนะความอยากจะครอบใจเราไม่ได้นะชีวิตเราจะมีเหตุผลงั้นพวกนักศึกษานะไปคอยรู้ทันใจที่มีความอยากไว้เช่นอยากได้คะแนนดีๆเวลาอยู่มหาวิเลยก็อยากไม่อยากอยู่นะ<ม>พอมาอยู่สวนสันติธรรมอยากไปต่อที่อื่นอย่างเงี้ย ใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันหารู้ทันใจที่อยากไว้บ่อยๆนะและชีวิตจะเต็มอิ่มขึ้นมาชีวิตจะมีแต่ความหิวโหยเพราะมันอยากตลอดเวลาแล้วเรารู้ไม่ทันมันนะกลับไปทําการบ้านนะโดยการรู้ทันใจที่อยากบ่อยๆนะวันนี้เป็นวันที่หลวพ่อตรวจสารบ้านเยอะมากเลยเด็กมอบูนี่ก็20่กว่าคนกราบหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อ่อ ตอนนี้เลยรอนใจแล้วก็จะส่งการบ้านเป็นช่วงยาวๆอะค่ะในช่วงปีแรกๆเนี้ยมันไม่เป็นกลางเยอะรู้สึกช่วงปีนี้เป็นกลางได้มากขึ้นแล้วก็เออมันมันไม่ค่อยขาดกันเหมือนเมื่อก่อนว่าเป็นช่วงที่เราจะทํากับช่วงที่เราหายไปกับโลก แ, ลแต่ชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติเลย แต่ว่าช่วงนี้ขาดสติลปก็ขาดการปฏิบัติช่วงนี้มีสติก็ปฏิบัติค่ะมันมาเมอร์ชกันมากขึ้นบนกันอยู่เป็นเรื่องเดียวกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ปีแรกๆเนี่ยจะโทสะเห็นโทสะเยอะแต่หลังๆเนี่ยหนักโมหะเออเก่งพราะโมหะเนี่ยเป็นบันพุรุษดของโทสะนะค่ะแล้วก็รู้สึกเนี่ยเป็นกลางมากขึ้นแต่หนูไม่แน่ใจว่า หลอกตัวเองหรือประคองหรืออะไรอยู่หรือเปล่าคะ่ะมีอึดอัดบ้างไหมล่ะอะไรนะคะมีความอึดอัดบ้างไหมเวลาดูง่ายๆว่าประคองอหรือไม่ประคองนะถ้าประคองเมื่อไหร่ใจจะแน่นๆใจจะอึดอัดรู้แล้วแน่นๆ่นถ้าไม่ได้ประคองนะใจจะโปร่งโล่งสบายคะ่ะ ถ, ถ้าตอนถ้าตอนนี้เลยแน่นอยู่แต่ว่าปกติไม่แน่นแต่ก็ไม่ทราบว่ามันไม่แน่นแล้วหลวมไปไหม อ๋อบางทีสบายทั้งวันเลยนะแต่เผลอๆรุนๆอย่างนั้นไม่ดีนะค่ะมีบ้างค่ะมันสุดตรงไปสองฝั่งค่ะนะดีที่หนูฝึกอยู่ดีนะเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะขอบพระคุณค่ะหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยดูตัวเองออกไหมกระทั่งนใส่ใจคอนะเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาสักสองปีแล้วค่ะ แต่ว่าเพิ่งมีโอกาสมากราบหลวงพ่ออืตัวเองเป็นคนเหมือนสมาธิสั้นนะคะหลวงพ่ อ, อก็เลยเคยไปฝึกนั่งสมาธิเข้าคอร์สก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นอืก็กลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นเกิดดับจากความคิดะะแต่หลวงพ่อนั่นแหละอย่างนั้นแ่ะนะแต่ไปสมาธิมันก็ดีขึ้น อ, อย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิเราดูความเกิดดับไปก่อนแล้วสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้น ใจมันจะเบาสบายอยู่อย่างนี้มานานแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรอะฮะดูไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยดูไปเห็นร่างกายทํางานเห็นใจทํางานอย่างใจหนีไปคิดตัวออกไหมใจรู้สึกบ่อยคะเออนนะให้รู้บ่อยๆแต่ไม่ห้ามนะใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้กายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกอย่าง น, นี้แหละ ดูไปอย่างสบายๆเซลล์จัดไหมไม่ค่อยค่ะเออถ้ามีเวลามันมีเซลล์ก็รู้ทันอีกนะ ค, ะคะ่ะอยู่ที่เรารู้ทันเท่านั้นเองแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งอย่างเวลามีอารมณ์มากระทบจากคนใกล้ชิดนะหลวงพ่ออืเช็ดแขนไหมไม่ค่ะหมายถึงว่าเราจะดูจนอารมณ์นั้นมันดับไปหรือว่าแค่รู้สึกแล้วก็ไม่ต้องไปดูจนจนมันดับอะฮะแค่รู้สึกนะแล้วก็รู้ทันจิต เช่นเราหงุดหงิดคนข้างๆเรารู้ว่าหงุดหงิดใจอยากหายหงุดหงิดรู้ว่าอยาก <Okay. S 1> รู้เข้ามาให้ถึงจิตจิตมันจะมีความยินดียินร้ายต่ออารมณ์อยู่เสมอๆ เ, เราไม่ได้แค่รู้ตัวอารมณ์แต่เราจะรู้ไปจนถึงความยินดียินร้ายของจิตแต่ค่อยๆหัดรู้นะถ้าจงใจรู้เร็วไปไม่ดีอย่างนั้นที่ทำอยู่อย่างนี้ทาดี แต่ว่าไปค่อยรู้ทันความยินดียินร้ายของจิตน ะ, ะเวลามันกระทบอารมณ์อ่ะอารมณ์นี้ชอบอารมณ์นี้ไม่ชอบอะไรมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตค่อยรู้ทันปฏิกิริยานั้นทําให้ชีวิตมีความสุขเยอะมากเลยก็จะ<อ>ติดสุขะนะที่หลวงพ่อเป็นห่วงเราเนี <laughs> ่ยกลัวจะติดแต่ความสุขเลย<ส><ข>มันสุขเยอะนะสุขอันนี้ยังเล็กน้อยนะถ้าเห็นทุกข์แจมแจ้งจะเจอสู่อีกชนิดหนึ่งใหญ่กว่านี้เยอะเลย อย่าให้จิตติดความสุขนะมันติดเยอะไปความสุขตัวนี้ให้รู้ทันจิตมันยินดีในความสุขให้รู้ทันนะกับนรร้ัมศการหลวงพ่อครับเมื่อปีกันยาปี5้สสงก์บัตรครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าให้กลับไปทำํำสมถะแบบรู้เนรู้ตัวเพราะว่าตั้งมั่นน้อยเกินไปนะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นไหมละ่ะเราไม่เหมือนเดิมครับนะ ใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วละ่ะก็ดีแล้วละ่ะครับเห็นไหมร่างกายไม่ใช่เราเห็นบ่อยขึ้นครับนั่นแหละดีครับเห็นไหมจิตใจบังคับไม่ได้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับเออดูไปเรื่อยนะต่อไปจะเข้าใจเลยจิตมันปิ้งขึ้นมานะกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราครับทําถูกแล้วละ่ะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีช่วงที่เหมือนห่างวัดไปนานนะคะแล้วมันก็เหมือนกับฟุ้งแล้วก็หลงไปนานขึ้นนะคะ ก็พยายามมีวินัยในการทําในรูปแบบอะค่ะหนูยังอยู่ในทางใช่ไหมคะอยู่ขอคำแนะนำนะไปทําอีกขอคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะจะทำอีกไงทาเหมือนเดิมเนี่ยทํำบ่อยๆนะค่ะอย่าทำทำหยุดหยุดนะค่ะขอบพระคุณค่ะนมัสการครับหลวงพ่อครับเคยเคยปฏิบัติแบบหลงป่าไปแล้วหลวงป้อแบบช่วยทุบให้ครับตอนนี้ก็มาเช็คดูว่า แต่ตัวตัวเองคิดว่าน่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอะครับก็ก็มาเช็คกับหลวงพ่อว่าเออความเข้าใจเนี่ยถูกหรือเปล่ารู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมรู้จักเพ่งแล้วครับแต่นาเพ่งไม่เกิดปัญญาหรอกมก็นิ่งอยู่งั้นเละกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นนี่พอเราใจถึงๆนะใจเราเป็นแค่คนดูเราเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราตรงไหนเลยครับดูไปอย่างนั้นน่ะดีได้ล่ะครับ เช็ค oh, ความเข้าใจนิดนึงได้ไหมครับอื hmm. ถ้าเรื่องศีล น, นี่คือว่ามันเป็นยังไงอ ธ, ธิบายมันเหมือนใครภาวะปกติปกติอย่างนั้นใช่ไหมครับคือศีลต้องแยกนะศีลมีเท่าไหร่แบบนะครัอย่างศีลที่แปลออกมาในเชิงปฏิบัติก็มีศีลห้าศีลแปดเลยเนะี่ยศีลอีกอันที่คุณว่าเป็นศีลคือความเป็นปกติของจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำมันเป็นศีลอัตโนมัติแนละ้ว ของเราตอนนี้ศีลอัตโนมัติยังไม่เกิดนะงั้นเราก็ต้องมีศีลไม่อัตโนมัติไปก่อนตั้งใจรักษาศีลหอะไรอย่างนี้ไปก่อนครับนะจนใจเราไม่มีกิเลสนั่นแหละศีลเราก็บริบูรณ์ขึ้นมานะครับก็ถ้าของผมเองนี่คือมันมันเห็นตัวเองได้เองว่ามันดูจิตได้ชัดมากครับแต่ว่าดูกายเนี่ยผมจะเหมือนคล้ายๆกับว่าดูไปก็เหมือนเหมือนจะดูไปงันๆ เ ว, ว่าเวลาเราดูจิตอยู่เรารู้สึกแค่ร่างกายเนี่ยแค่ว่ามันมีอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงไปแต่เวลารู้ทันจิตเนี่ยอย่าไปจ้องใส่จิตนะแค่แค่รู้สึกสบายๆไปเห็นมันทำงานไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ไปนั่งเฝ้านั่งจ้องมันถ้าเรานั่งเฝ้านั่งจ้องกลายเป็นการเพ่งจิตครับนะดูเขาทำงานไปสบายๆปล่อยๆมั น, นแต่ไม่ให้ผิดสินห้าได้ครับ อีกนิดนึงนะครับมีบางครั้งที่ผมเหมือนดูกายแต่ว่าไม่รู้ว่าผมดูจิตคลองหรือเปล่าผมเพราะไงผมรู้สึกว่าเหมือนดูกายขอผมนี่มันเหมือนเหมือนใครครัมันเหมือนดูจิตประเภทหนึ่งอะครับใคดูกายไม่ว่าดูอะไรนะว่าดูอย่างเดียวกั็ได้จิตมันเป็นคนดูครับอย่างดูร่างกายก็เห็นจิตเป็นคนดูนะดูจิตเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วมันก็ของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูอีกนะอ๋อโอเคอย่างนั้นเข้าใจแล้วครับ กราบนมัสการค่ะหนูได้ฟังซีดีมาเป็นเวลาประมาณ 1-2 ปีแล้วค่ะแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อเป็นครั้งที่3ก็จะขอคำแนะนำเพื่อจะไปกลับไปปฏิบัติให้ดีขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังเห็นค่ะเห็นไหมใจมันเบาเาขึ้นใจมันสบายมันโปร่งขึ้นเห็นไหมร่างกายกับใจเป็นคนละอันกัน เห็นค่ะนะเห็นแปลว่ากิเลสกับจิตโคละนกันเห็นค่ะนั่นแหละทําดีแล้วนะค่ะดูบ่อยๆแต่เวลาเราดูไปเรื่อยบางทีโทสะมันแทรกค่ะโทสะแทรกขึ้นมาเราก็รู้ทันคะโทสะหายไปเราก็รู้ไปด้วยความเป็นกลางอีกนะค่ะขี้โมโหไหมขี้โมโหค่ะนั่นแหละไปดูตัวนี้นะค่ะมันเห็นอะไรมันชื่อโมโหหมูนะค่ะให้รู้ทัดมันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ อหมดแล้วล่ะวันนี้วันนี้ตรวยกันบ้านซะเยอะเลยอเชิญกลับบ้าน